ดำรงอยู่ได้เพราะฉนั้นในวิธีการหลงอเทียนเบื้องแรกที่สุดต้องเห็นโทษมุสิีนเสียบิดอันนี้ได้ก่อนแต่ถ้าหากว่าเรายังไม่เห็นโทษเสิยบิดอันนี้มันก็เป็นตัวขวานแล้วทีนี้เราจะไปฝึกที่ไหนถ้าไม่ได้สิ่งเสียบิดอันนี้เข้าไปช่วยเนี่ยมันไม่มีกําลังไม่มีกีกําลังที่จะปฏิบัติได้เลยมันจะเพราะฉะนั้นต้องต้องเอาตัวนี้ออกให้ได้ก่อนในเบื้องแรกนะในวิธีการวอเทียเพราะนั้นพ้ะในวิธีการหวงอเทียนจะไม่ <c oughs> ที่พระที่ปฏิบัติได้นะจะไม่ติดสิ่เสพติดอนี้พวกน้ำชากาืแปะปูรีอ่าไม่แต่ตั้งแห่งนมอบดินก็เอาออกเนะนั้นเองมันคือของง่ายที่สุดของเราเนี่ยสิ่งเสพติดเนี่ยแต่ว่าเรายัง อ, ออกไม่ได้ก็ไม่ต้องไปพุึงในส่วนที่ละเอียดขึ้นไปส่วนใหญ่พระเราน้าปวดเราก็ยังติดสิ่งเห่านี้อยู่ แต่พอเข้ามาสู่วิธีการของพ่อเถียนต้องภายในยาทิตยแรกเนี่ยต้องถ้าปฏิบัติถูกทางนะนต้องโลสิ่งนี้ออกให้ได้ก่อนหลังจากโลสิ่งที่เสื่อมเสิยติดรั้วทั้งกายทั้งใจออกได้พับก็นเมาดูต่อไปว่ า, ารูปนามของเราเป็นอย่างไรซึ่งเล่าวไปสองวันก่อนแล้วรูปคือกายนามคือใจที่เรารู้กันแต่แนวรูปกับนามมีความสําคัญอย่างไร พูดถึงเรื่องตับเวทนากายตับเวทนามีความสำคัญเป็นอย่างไรก็ดได้กล่าวโดยรายละเอียดว่าตัวรูปในส่วนที่เป็นธาตุและรูปในส่วนที่เป็นขันธ์นามในส่วนที่เป็นธาตุและนามในส่วนที่ขันธ์ที่หมายถึงว่ากายความรู้สึกทางกายใจความรู้สึกทางใจนะ รูปในส่วนที่เราสัมผัสได้แล้วก็นามมรูปที่เราสัมผัสได้เป็นอย่างไรซึ่งในกล่าวรายละเอียดมาเมื่อวานคงจะเข้าใจว่ากายกับเวทนาสัมพันธ์กันอย่างไรมีบทบาทอย่างไรทีนี้ตัวเวทนาไปเชื่อมต่อจิตเมื่อวานเราพูดถึงว่ากายเชื่อมต่อเวทนาอย่างไรวันนี้เราสวดตอนเช้าพูดถึงเรื่องจิต สัสัราคังว่าจิตตังสาราคังจิตตันติประญาติปิผู้ปฏิบัติเมื่อจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะวีตารคังว่าจิตตังวีตารคังจิตตันติประญาติเมื่อจิตไม่มีราคะคือไม่มีความพอใจไม่มีความอยากไม่มีความพอใจก็ให้รู้ว่ามันไม่มี สะโทสังวาจิตตังสะโทสังจิตตังจ yes ิประชานิเมื่อไม่มีความพอใจเมื่อมีความพอใจเกิดขึ้นในใจก็ให้รู้ชัดๆว่าเออความไม่พอใจเป็นอย่างนี้นะไม่ชอบนะเป็นอย่างนี้อาการเป็นอย่างนี้แหละให้รู้วีดาโทสังวาจิตตังวีจาโทสังจิตตังจิตประชานิตเมื่อมีความความไม่ชอบใจเนี่ยความไม่พอใจถ้ามันไม่มีอยู่ก็ให้รู้ชัดๆว่าเออจิตที่มันไม่มีความพอใจมันเป็นอย่างนี้นะ ให้ดูอาการของจิตให้ชัดอันที่ 3, สามวาศาสโมหังวายจิตตังสมูหังจิตันบีประชานิเมื่อความรุ่งหลงเพลิดเพลินความลืมตัวเกิดขึ้นมันอาการจิตมันเป็นอย่างนี้นะสังเกตใจของเราเมื่อเพลิดเพลินในเรื่องใดเรื่องหนึ่งลุ่งหลงในเรื่องใดเรื่องหนึง่งอาการจิตมันเป็นอย่างนี้นะก็ให้รู้ว่าอ๋อจิตของเราเราลักเราหลงเราชอบอะไรสักอย่างอาการเป็นอย่างนี้นะเพรียวแต่ถ้าคนที่ไม่ฝึก สติปัฏฐานเนี่ยจะมีโอกาสได้รู้ไหมอาการของจิตยังไงที่มีเลยตัวอินไปเลยในอารมณ์นะ้ะบางครั้งจิตของเรามันตื่นตัวความเพลิดเพลินลุ่มหลงความรักความให้ความชอบคนามชังก็ไม่มีอาการจิตมันนิ่ ง, ง, งๆเฉยๆซื่อๆโปรงๆก็ให้รู้อ๋อจิตที่มันไม่มีความสนุกสนานเพลิดเพลินไม่มีอะไรมาครอบงํา ม, มันมันเป็นอย่างนี้นะที่เราสวดมันลักษณะนี้ว่าลักษณะเวทนาสุ ข, ข ที้การที่เราต้องไป <c oughs> รักในอารมพิโรธรักชังในอารมี่โรธชัง <c oughs> แล้วก็หลงในอารมพิทร่หลงเนี่ยเพราะเหตุใดเราจึงไม่เพราะเหตุใดเราจึงไม่รู้ในเมื่อเราบีถ้าเราอยู่กับสิ่งนี้มาพ่าเราเกิดมาก็ด้วยด้วยอารมณ์เหล่านี้พ่อแม่ไ ม, ม่รักกันเราก็ไม่ได้เกิดมา พ่อแม่ไม่ได้ชังกันเราก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้พ่อแม่ไม่หลงกันเราก็ไม่เกิดมาอย่างนี้เราเกิดมาด้วยความโรบกวนหลงของพ่อแม่นี่ท่านไม่รู้แต่พอมายุคเราเนี่มันพัฒนาว่าให้เรารู้ <c oughs> เรารู้สิ่งนี้ได้เมื่อเรารู้สิ่งนี้ได้อตอนแรกเราก็จะรู้แบบสัญชตาตญาณแบบแบบคนไม่ได้ฝึกฝนอบรมนั่นแหละคือเห็นอะไรชอบเป็นที่ชอบไปชอบเลยเราความเราเรียกความรู้สึกชนิดว่าสนิดนี้ว่าอะไร สัตว์แพยาธใช่ไหมไม่ได้สัตว์มันก็มีรักลูกมันดูแลลูกมันหาลงุงหาหลังเวลาเกิดมีไฟขึ้นมามันก็วิ่งหนีเอาตัวรอดเราก็มีสัญชาตพยาธในการสืบพันธุ์ดรงเผ่าพันธุ์ของตัวเองสัญชาแพทยาธิอย่างนี้ว่าค น, นคนและสัตว์มีเสมอกันคนและสัตว์เสมอกันในสัตว์แพยาธิสี่อย่างนี้หนึ่งต้องการอาหารสิ่งที่มันต่อเลี้ยงร่างกายดํารงอยู่ สองต้องการที่อยู่อาศัยต้องการรวงรังรูเป็นที่อยู่อาศัยสัตว์ทั้งหลายก็แสวงหารุงรงังทำบูรทำรังทํา ท, ท, ที่อยู่ของมันอันที่สเมื่อเกิดภัยพิบัติหรือเกิดความไม่สบายเกิดขึ้นเราพยายามผลไฝ่ดิ้นรงปกป้องตัวเองด้วยวิธีการอะไรแม้แต่เดีย๋ยวว่าจะภัยพิบัติใหญ่หลวงแม้แต่เหลือยุงลิลายบินมาใกล้มาไกลเราก็เกิดสัญชตาตญาณในการระวังตัวเองแล้ว หรือแม่เด็กใกล้ตัวคนนั้นถ้าเกิดนั่งไปเกิดความเจ็บป่วยไม่สบายตรงไหนเราก็มีการปรับมีการดิ้นมีการแก่ละสัญชาตญาณในการระวังส่วนมันมีอยู่ทุกระยะโดยทีเดียวสัญชาตญาณนี้มีเสมอเหมือนกันสัตว์ทั้งหลายมันไม่สบายตรงนู้นก็บินไปนู้นไม่สบายตรงนี้นก็รุกวิ่งไปนู้ น, นก็ต้องมีเหมือนกันมันก็มีอาวุธในการป้อง ก, กันตัวในทุกรูปแบบแล้วอันที่สี่ แสงยนตัวนี้ก็คือแสงเทียนให้เราต้องดํารงถาวรของของเราไปคือแสงเทียนแล้วก็จะสร้างบรรยากาศให้เกิดแักเกิดหลงเกิดอยู่ด้วยกันจนได้เพราะว่าแสงเทียนนี้มันบีบคั้นให้ต้องทําอย่างนั้นเพราะเราก็จะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้เราก็ตอบสนองแสงเทียนนี้มาเป็นสัตว์ต่างๆมนุษย์กี่พวกกี่ชาติจนมาถึงเราเนี่ยความรู้สึกนี้มันก็ยังหนาแน่นบีบคั้นอยู่ แต่ผู้ทีเจ้าท่านได้ค้นพบว่าโอสัญชาตยานเหล่านี้ถ้ า, าว่ามันไม่พัฒนาไม่ได้รับการพัฒนามันก็จะทําให้คนกลายเป็นสัตว์ไปตลอดพวกตลอดชาติตกับตลอดกันเราจะพัฒนาให้เป็นคนที่สูงขึ้นไปเป็นเทวดาอินพรมเป็นอริยะมันก็ไม่ได้คนก็จะต่ําไปเรื่อยๆจากสัตว์บกเป็นสัตว์ขึ่ง บ, บขงงกขึ้นน้ำแต่จากุกบกทุกน้ำไปเป็นสัตว์น้ําไปเรื่อยๆ แต่พอมีการพัฒนาสัญชตาตญาณให้สูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆมันก็จะทําให้เราได้มีวิธีการดังนั้นพระพุทธเจ้าพระเจ้าชัยจุฬเป็นคนแรกที่ค้นพบกฎเกณฑ์อันนี้เมื่คนพบกฎเกณฑ์อันนี้แล้วเราเอามาสอนเอามาบอกมาชี้นาดูว่าประกดว่าได้ผลทำให้คนออกจากความรู้สึกิสัยที่เป็นสัญชตาตญาณได้คือหมายถึงว่าเวลาเร า, เาพบอะไรที่เป็นที่ชอบ เราไม่จำเป็นต้องชอบตามสิ่งที่เราชอบก็ได้ที่เรารูเริ่มรู้จักเราก็กดูความชอบอย่งเราเยอะกับเราแทนที่พอเห็นสีเพ่ชอบเช่นเห็นดอกไม้เราชอบสีนี้เมื่อก่อนเราก็คืออยากได้ไปเลยอยากได้ดอกไม้ตรงนี้อยากปลูกดอกไม้ตรงนี้อยากาหาเงินมาซื้อดอกไม้ที่นี่นนไว้ตามกรจัตยานของเราแต่พอเรามาศึกษาและการเจริญเศรษฐีปั๊บนี้เรารู้จักวิธีตีกลับ แต่ที่ส่งจิตไปชอบในดอกไม้แต่กลับมาดูว่าจิตที่ชอบดอกไม้มันเป็นอย่างนี้ก็ดูอาการของจิตนั้นการที่มีสติกลับมาดูความรู้สึกชอบดอกไม้ที่มันสวยเนี่ยถ้าเราไม่ได้ฝึกฝนนะถ้าเราไม่เจริญสติมันจะกลับมาดูอย่างนี้ไม่ได้หรือเราไม่ชอบอสมมติเราเดินไปเราไปเหยียบขอโทษกองขี้หมาอย่างนี้นะ กองที่กองสกป ร, รกเนี่ยไปเหยียบเรารู้สึกไม่ชอบมันเปื้อนมันเหม็นมันสกป ร, รกเมื่อก่อนเราก็จะไปตําหนิไอ้สิ่งที่เราเหยียบที่มันไม่ดีนั่นแหละนึกถึงว่าทําไมมาที่ตรงนี้ทําไมมาฝังทางตรงนี้ทําไมจะทําความสะอาดอย่างเราบดหงิดไม่พอใจฝนฝ้ายหาน้ําหาท่าหาพิธีทําความสะอาดหวกลิดิ ด, ดอารมณ์คุณมัวในสันจจ ย, ยาณก็พาคิดไปอย่างนั้นแต่พอเราเด็ดสุดคนที่ปไปปั๊บก็เหยียบไปปั๊บ ประทุสึกว่าเหยียบพอสติมาไม่ทันรู้สึกความไม่พอใจเกิดปั๊บพอได้สติปั๊บกับของความไม่พอใจพราะเหยียบสิ่งนี้เป็นอย่างนี้เองพอสติรู้ว่าความไม่พอใจเกิดปั๊บเนี่ยความไม่พอใจก็หายไปทันทีจากนั้นเราก็จัดการได้จัดการสเก็บของสุกภูเอ้าจากที่เซจัดการเอาเท้าไปล้างทําความสะอาดอย่างไม่มีอารมณ์ขุ่นโม่เลยเพราะเราได้ดูมันก็ทําตามเพราะเราถือไป ในครั้งต่อไปก็เกิดการระวัง อ, อีกต่อไปเลยจะไม่เหยียบสิ่งนี้อีกแล้วเผอเหยียบอยีกแล้วก็รู้เอาความรู้สึกเหยียบสิ่งนี้แล้วเหยียบตะปูหรือเหยียบไปเหยียบของสดปรกก็ตามถ้าหากว่าเรามาดูความย้อนกับความรู้สึกการที่เรามีสติกับย้อนกับความรู้สึกนี้มันจะมีมาได้เลยถ้าเราไม่ฝึกฝนปฏิบัติร้อยทั้งร้อยต้องเป็นไปตามสัอย่างาทั้งหมดแต่สําหรับผู้ได้ฝึกฝนปฏิบัติ สามารถกลับย้อนมาดูความรู้สึกชนิดนี้ได้ไม่ใช่ธรรมดานั่นหมายความว่าการเริ่มต้นของปัญญาญาณมันได้เริ่มต้นอึู่แล้วเราจะได้ฝึกหรือไม่ฝึกก็ตามเราจะได้รับการอบรมหรือไม่ก็ตามบางคนมีจิตสํานึกลักษณะนี้เกิดขึ้นโดยตัวองมันเองบางคนที่มีวุฒิภาวะบางทีชาตินี้เขาอาจจะไม่ได้ฝึกฝนมาจริงแต่ชาติที่แล้วก็อาจจะเคยผ่านผ่านมาก็ได้หรือพ่อแม่ บรรพชนุษเขาอาจจะเคยฝึกฝนอย่างนี้มาก่อนก็ได้พอมาชาตินี้ปับ๊บมันก็เกิดสํานึกตัวนี้ขึ้นของมันเองก็มีเหมือนกันไม่ใช่เราต้องผ่านการฝึกฝนอบรมเสมอไปที่สํานึกแบบนีไ้ไม่นจะเกิดขึ้นลักษณะเรียกว่าเรามีบุญบารมีเก่าได้สร้างสมมาทําให้เรารู้สึกย้อนกลับมาดูตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องรับการฝึกฝนอบรมจากที่ใดอ น, นี้เราก็บอกว่าเราได้ สร้างสมวัารมีมาก่อนถึงจิตเกิดจิตสํานึกอย่างนี้ขึ้นมาได้แต่ถ้าเรามีการฝึกฝนเพิ่มเติมมันก็ยิ่งไวขึ้นรู้เรื่องนี้ไวขึ้นเพราะเรามีพื้นฐานแห่งสานึกตรงนี้อยู่แล้วลักษณะสํานึกตัวนี้เรียกว่าเป็นมโนธรรมเป็นมโนธรรมซึ่งมันเกิดสําหรับคนบางคนบางคนมีคุณธรรมโดยโดยไม่ต้องฝึกฝนเป็นคนดีโดยโดยนิสัยเลยนะบางคนคนอย่างนั้นก็ไวขึ้น แต่บางคนมนุษย์ทำอย่างนี้ไม่มีก็ต้องมาถ้าได้พบกริยาณมิตรเขาก็ได้ฝุดสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแต่ถ้าเขาไม่ได้พบกริยาณมิตรไม่พบสาธุชนคนดีที่จะมาบอกมากล่าวมาชี้นําเรื่องนี้เลยเขาก็จะเป็นไปตามสัญชาติญาณของเขานะอันนี้คือส่วนที่เราจะต้องรู้ว่าการเชื่อมต่อระหว่างเวทานาไปสู่จิตนั้นเบื้องต้นที่สุดอาศัยความรู้ที่เป็นสัญชาติญาณ เพิ่มต้นที่สุดอาศัยความรู้ที่เป็นสัญชาติญาณที่เกิดใน4ลักษณะหนึ่งเกิดเพราะรับตัวกลัวตาย2เกิดเพื่อหาที่อยู่อาศัยหาอาหารใสป่ปากใส่ท้องอันที่กลัวหนึ่งหาอาหารใสาปากทั้งสองหาที่อยู่อาศัย3รับตัวกลั ว, ต, วตายกลัวภัยต่างๆสี่ก็ต้องการสี่พันลักษณะสัญชติญาณทั้งสี่มีทั้งคนได้สัตว์มีเสมอกัน พุทธเจ้าแต่ว่าถ้ายกธรรมออกเสียปุลกษัตริย์ไม่ต่างกันยกธรรมออกเสียนะ <c oughs> ธรรมวิเศโสถ้าหากยกธรรมออกเสียสัญชาติยานทั้งสีนั้นทําให้ปุลสัตว์เสมอการดัง น, นั้นเองเราก็จึงมาฝึกผลธรรมให้มีธรรมเป็นอันดับแรก เ, เรียกว่ามโนธรรมมโนธรรมที่ไม่ได้เป็นไปตามสัญชาติยานทั้งหมดเขามีโดยธรรมชาติเขาเอง ทีนี้เมื่อเอาละเรามาแล้วบางคนไม่มีพื้นฐานแห่งมโนธรรมที่จิตเกิดจิตสำนึกไม่ได้รับการกระทบกับย่อมาดูใจตัวเองสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ฝึกฝนโอโรร ม, งงมาก่อนเราก็เริ่มต้นได้ฝึกฝนใช่ไหมแต่บางคนมีสำนึกและมีมโนธรรมนี้มาบ้างแต่ยังไม่มากเราก็ได้ต่อยอดเราก็ได้พัฒน า, าก็จะ ง, ง่ายขึ้นคนที่ไม่เคยฝึกฝนมาก่อนอาจจะใช้เวลาเจ็ดวันสิบห้าวันถึงจะรู้แต่คนที่ได้ฝึกฝนมาก่อนสมวันเขาก็รู้ได้แล้วเพราะก็มีฐาน เก่ามานะอันนี้ขึ้นอยู่กับวัาฐานเก่าเราได้สั่งสมม า, มากๆมาน้อยหรือคนที่ไม่ได้สั่งสมสำนึกแล้วมโนธรรมอันนี้มาเลยก็ต้องใช้เวลานานหน่อยเหมือนลูกคนจนคนจะรวยเป็นเศรษฐีได้ใช้เวลานานหน่อยแต่ลูกคนรวยเข้ามาต่อยอดเขาก็รวยเร็วเป็นเศรษฐีตนะั้งแต่หนุ่มๆได้ลูกคนจนคนจะเป็นเศรษฐีก็ทํางานแทบล้มแทบตายแก่ไปเป็นเศรษฐีก็มีแต่ก็มีโอกาส จพง ใ, ใช้เวลาหน่อยนะดังนั้นเราก็มาสร้างฐานบารมีใหม่คือมาสร้างความอดทนสร้างความต้าบทอดทนคนสู้เพราะว่าเรามีพลังแห่งจิตวิญญาณพลังแห่งความปรารถนาเท่าเทียมกันทุกคนนะต้องการเป็นคนดีต้องการเป็นคนสุขเป็นคนมีความสงบต้องการเป็นคนที่มีอะไรดีๆ ต้องการไม่มีใครต้องการความชั่วต้องการควาทุกข์ต้องการความไม่ดีไม่มีทุกคนไม่ใ้โจรนึนกประปันธนายสิ่งนี้เหมือนกันแต่เขาไม่รู้วิธีการเท่านั้นเองเขาไม่มีกระยาณมิตรเขาไม่มีสิ่งแวดล้อมช่วยไม่มีตัวช่วยก็้างแต่แต่เราทั้งหลายนะั้นมีสิ่งแวดล้อมมีวิธีการมีตัวช่วยหลายระดับก็จึงมาสู่สิ่งแวดล้อมอย่างนี้ได้นะทีนี้มาดูว่า นอกจากตัวความรู้แบบสัญชัตญานจะเชื่อมอย่างเวทนาร้อนเนี่ยโดยสัญชัตญานเราก็รู้สึกไม่พอใจแสดงทันทีเลยไม่ชอบผิดอัดเก็สัญชัตญานโดยที่ไม่พัฒนาเราก็ไปหาที่เย็นไอ่อาบน้ำไปล้างหน้าแต่พอยุคสมัยจเจริญขึ้นมาหน่อยก็รู้สึกร้อนปั๊บการตอบสนองต่อสัญชัตญานี้พัฒนาขึ้น ไปพัฒนาวัตถุขึ้นมาช่วยแต่ที่จะหนีไปอาบน้ําไปล้างหน้าหรือไปหาอากาศที่ดีก็ไม่ต้องหนีละเอื้อมมือไปกดพัดลมปับ๊บใช้ได้ละเอื้อมมือไปกดรีโมทแอร์ปั๊ก็ใช้ได้อันนี้คือการพัฒนาตัวสัญชาตญาณก็ถูกตอบสนองได้ไวขึ้นโดยที่ไม่ทุกอะไรมากแต่มันทุกอีกแบบหนึ่งทุกต้องหาเงินมาซื้อแอร์ซื้อพัดลมนั่นแหละ นะอันนี้คือความทุกข์ละเอียดก็เมขึ้นใช่ไหมเพื่อตอบสนองสัญชตาตญาณนั้นแต่ถ้าหากว่าเราได้ฝึกไปพอความรู้สึกร้อนมากระทบปับ๊บแทนที่เราจะนึกถึงน้ําถึงแอร์ถึงพัดลมถึงที่โลง่งที่โปร่งถึงอากาศที่ดีใช่ไหมเรามาเนึกมาดูความรู้สึกคื อ, อความรู้สึกไม่พอยใจกับไอ้ความร้อนนี้มันเป็นอย่างไรก็รดูไปการกลับเข้ามาดูแล้วเกิดการทนไดนะ้อันนี้เป็น มโนธรรมเป็นตัวฝึกฝนที่จะต้องเกิดขึ้นหรือบางคนเมื่อเขาว่าเขาตำหนิเขาพูดอะไรผิดไม่ถูกใจปักโเยสัญญาณก็คือไม่พอใจไม่พอใจแล้วก็นึกหาวิธีที่จะแก้ด้วยวิธีต่างๆการเรืองวิธีแก้ทุกแต่สำหรับคนที่ได้ฝึกฝนมาแล้วพอได้รับการตำหนิ ต, ติริงหรือพูดในทางที่ไม่ เข้าหูเนียมันก็กลับมาดูความรู้สึกที่ใจก่อนเอาใจที่ได้รับการกระทบทางหูเป็นอย่างนี้เนาะความรู้สึกไม่ปอใจพอกลับให้สง ต, ตรงใจปับปัญญามันเกิดอ่ะพอปัญญาเกิดเริ่มมีเหตุผลเริ่มมีเหตุผลเออที่เขาพูดนี้กระถูกเขาเนาะจิตแทนที่จะคิดในฝ่ายอกุศลคิดหาคำพูดคิดหาวิธีการตอบโต้มันกลับมาดูเอาตัวเองเอที่เรา เขาว่าอยู่มันถูกนะแต่เราต้องแก้ไขตัวเองให้ดีขึ้นมันเกิดนึกเออถ้าเขาไม่ว่าเราผงไม่ได้รู้สึกตัวนี้กลับแทนที่จะไปว่าเขาอย่างงี้เราก็ขอบคุณที่เตือนสํารับเรื่องนี้ก็จะเกิดขึ้นมาแทนแ่ะใช่ไหมจิตก็สบายตัวคนตรงนี้เราเขาก็เกิดถ้าเขาเป็นคนดีมีสิทธิธรรมที่เขาเตือนเราด้วยปรารถนาดีเขาก็เห็นความดีของเราเออคนนี้เป็นคนดีจริงเราก็รู้สึกว่าเออ คนที่บอกนั้นเขาเริ่มเป็นครูของเราได้นี่คือสำนึกที่เราได้เกิดการพัฒนาขึ้นมาลักษณะนี้ เ, เ็เรียกว่าเป็นคนมีสติปัญญาและสติปัญญาอย่างนี้มันก็มีไม่ได้ในคนทุกคนหรอกก็มีเป็นบางคนแต่ถ้าหากว่าเราได้ฝึกฝนในสิ่งนี้อยู่เป็นประจำแล้วมันจะมีมากเรื่องเล็กพอทำใจได้เรื่องใหญ่ก็ทำใจได้เรื่องใหญ่ที่ไม่ไมใช่กำหนดจริง กลับจากที่นี่ไปกลับไปถึงบ้านปรากฏว่ า, วาของมีค่าที่เก็บไว้ในที่ส่วนตัวมันหายไปยถ้าโดยสัญชตาตญาณเราก็ช็อกเลยใช่ไหมช็อกเลยโอเกิดความคุ้นไปมันหายไปในะอย่างน่้นอย่างนี้เกิดขึ้นมาแต่พอเรามีสติที่ได้ฝึกฝนมาเลแล้วพอได้เห็นสิ่งนั้นหายไปปั๊บก็กลับมาดูใจก่อนใจรู้สึกอย่างไะโอ้ต่รู้สึกอย่างนี้นะ การพัดพลาดเสียากาันไม่เจอมันเป็นอย่างนี้เองก็ ท, ทำใจได้ก่อนแล้วค่อยมาหาเหตุผลว่ามันหายไปได้อย่างไรคือจิตคิดปกติเสียหายแล้วแล้วไปไม่ต้องไปขนขวห า, หากับคืนมันพรอยไม่ต้องมาเห็นไม่ใช่นะคือเพียงแต่ปราการแรกที่สุดต้องมาดักความรู้สึกที่มันท้อแล้วก่อนโอ้นจนจิตสู่ปกติแล้วก็ค่อยถามใครกัน ทำไปทามาอ๋อแม่ยืนไปใช้เองเนี่ยคือลือบอกหนูอใจไปชื่นกลับมาใช่ไมโอ้เพราะไม่รู้เหมือนกันนะใครช่วงสามวันเจ็ดวันพวกเราก็เป็นอยู่บ้านเกิดถูกขโมยเอาไปหรือเปล่าเราว่าไปตั้งผลการไปแจ้งตำรวจไปอะไรก็ว่าไปได้ก็ได้ไม่ได้ก็แล้วไปหรือว่าเออชาติแล้วเราคงจะขโมยเข้ามามั้งใช่นี้ก็เออคืนไว้บ้างมันเริ่มมีเหตุผลหาวิธีการที่จะรักษาคิดตัวเอง เริิไปเอสิเหล่านี้ก็มันมาเกิดมาทีหลังนะมันก็ไมได้ติดตม่มาตั้งแต่เกิดนะตายมาสิ่งนี้นึกเอาไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะปล่อยให้ใจเราเสียไปทำไ ม, ามาหาใหม่ได้ดิการที่ได้ใจอย่างนี้กลับคืนมามันมีค่ากว่าของที่เราเสียไปมากมายแต่การไปที่เราเสียไปทั้งของและเสียไปทั้งใจเนี่ยอันนี้คือการสเสียที่ยิ่งใหญ่เลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นเองการที่มาฝึกฝนมันจึง สามารถตั้งรับได้ทั้งสถานการณ์เล็กๆน้อยๆที่ถูกกล่าวถูกว่าถูกเตือนทั้งสถานการณ์พัดผ้าทรัพย์สมบัติเงินทองพัดผ้าแกพ่อแม่คนรักเสียของที่รักและคนรักที่สูญเสียไปแต่ต้องเกิดขึ้นมีในวันใดวันหนึ่งเนี่ยเราก็เริ่มทําใจได้สบายนี่ลักษณะพัฒนาตัวความรู้สึกที่เป็นสัญชนาตญาณให้เป็นปยายานัญญาญาณมันผลดีอย่างนี้นะ ทีนี้ถ้าหากว่าเราจะให้มันได้ผลมากขึ้นเนี่ยแล้วก็แปลงสัญชัติยานซึ่งมันมีเป็นขุมพลังมหาศาล เ, เราไม่ใช้คําว่าจ <c oughs> ิตใต้สำนึกภาษาตรวันตกนะเป็นซับฟันเชียสบ้างนะเป็นจิตอะไรสำนึกแต่พอเรามาเปลี่ยนเป็นจิตรู้สำนึกเปลี่ยนจากไอ้ซับฟันเชสเนี่ย เป็นจิตรู้สำนึกเป็น aware บ้างเป็นไม่ผู้เอกบ้างเป็น alert บ้างเป็น awake บ้างเป็น enlightened เปลี่ยนมาเป็ น, ปนจิตรู้สำนึกแต่พอมันเป็นสับปะเชียนอยู่มันก็เหมือนกล่องดำในในเครื่องบินอนะอะไรเกิดขึ้นภายในมันจะเก็บเอาไว้หมดไอ้ตัวนี้แต่เราหมาใช้ในภาษาบาลีเราว่าพังขบิญญาพังขบิญญา สัญชตาตญาณดั้งเดิมของเราแต่ในฟังขวียาณมันรวมถึงประพัทธะจิตวิจิตผ่องใสเอาไว้ด้วยในนั้นนะคือมันเก็บไว้ทั้งของดีและไม่ดีตัวสัญชตาตญาณของเรามื่กระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจปับมันก็เก็บเอาไว้ละเราจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามมันเก็บเอาไว้ตัวเก็บเอาไว้จิตได้สมนึกนันเป็นขุมทรัพย์มหาศาลเลยแต่ว่ามันเป็นขุมทรัพยที่ยังไม่ได้ดัดแปลงไม่ได้หล่อไม่ได้หล่อเท่านั้นเองมันยังเป็นแร่ในดินอยู่เลย แต่พอเรามาศึกษาตัวสติสมาธิปัญญานี่มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเราเริ่มเอาตัวความรู้สึกที่เป็นสนันติญาณมาลอมมากลั่นมากรอมให้เป็นวัตถุอิพิใช้ได้เหมือนเอาแร่ทองคาในดินมาเข้าเตาหลอมให้เป็นทองคำแท่งทองคำประดับได้ทุกคนมีอยู่สมบัติอันนี้ที่ใต้สานึกเรามีทุกคน เพราะนั้นเราจึงไม่แปลกใจว่าไอ้อยู่เฉยๆทำไมความคิดนันมาจากไหนเยอะแยะเหลือเกินถ้าไม่จะไม่เยอะเราสั่งสมไม่รู้กี่พกกี่ชาติหมือนเมือไอ้ไอ้มันอยู่ใต้สํานึกของเราเพราะเมื่อไหร่เราขาดสติสมญาปั๊บก็โผล่ขึ้นมาละพอมีสติสมญาปั๊บก็รูปเก็บเอาไว้ก่อนทางภาษาทางมหายานกับอริยมียางกับมโนุวิญญาณ มันอารยวิญญากวิจิตได้สำนึกมนุวิญญาณวิจิตรู้สานึกพอเอาม า, ส ร, าสร้างสติปับแล้วก็เปลี่ยนจิตได้สำนเป็นจิตรู้สานึกเพิ่นบอกเหมือนไปชั้นบนเนจิตรูดด้สานึกไปใช้อะไรเก็บมาไว้แต่ต้องไม่ต้องการใช้เก็บไปท้งกายจะเป็น basement ห้องใต้ดินเอาไว้ไม่ก้อจิตของเรามีสองชั้นชั้นหนึ่งคือเป็นห้องใต้ดินชั้นหนึ่งเป็นบนดินบนดินที่เก็บมาไว้ในห้องเนี่ยคือสิ่งที่จาเป็นต้องใช้ประจำวันเดี๋ยวหยิบนั่นเก็บมีใช้ แต่บางสิ่งบางอย่างยังไม่จําเป็นต้องใช้ปีหน้าหนุนเดือนหน้าต้องใช้ เ, เก็บไว้ข้างใต้ก่อนเล่ากันเพราะนั้นทุกครั้งที่มากระทบรูปมากระทบตาปั๊บบางครั้งพอใจบางครั้งก็ไม่พอใจบางครั้งเฉยเฉยมันจะมีอสามความรู้สึกเนี่ยใช่ไหมเสียงมากระทบหูปั๊บมันจะเกิดสามความรู้สึกพอใจไม่พอใจเฉยเฉย กินมากระทบจมูกก็จะมีสมความรู้สึกนี้รสมากระทบลิ้นเวลาทานข้าวก็จะมีสาความรู้สึกนี้อย่างใดอย่างหนึ่งพอไปเจออาหารอร่อยก็พอใจพอเชี่ยวไปเจอหินปักไม่พอยใจพอเชี่ยวไปเดินเคลิ้นบางครั้งก็อร่อยก็รู้ความรสุกไอ้ความรู้สึกสรรค์ชัตติยานําอย่างพอใจไม่พอใจนี่เองมันถูกเก็บเอาไว้ในใต้จิตวิญญาณของเรา แล้วมันก็จะง่ายต่อความพอใจไม่อ่อไหรเพราเราสังสมันตลอดเวลานี่ใช่ไหในช่วงที่เราถูกกระทบทุกครั้งที่เราไม่มีสติตามรู้ต่อความพอใจไม่พอใจนี้จิตจะเก็บไว้เป็นตัวสัญชาตญาณเพราะนั้นความพอใจไม่พอใ จ, อใจความเฉยๆจึงเป็นแหล่งพลังมหาศาลในจิตใจของเราการสร้างตัวสติเพื่อให้เกิด วิปัสนาญาณคือเกิดปัญญายาณสามารถที่จะแปลงตัวสัญชตาตญาณนี้ให้เป็นพลังแห่งความรู้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าและพลาาระอรหันต์ทั้งหลายท่านจะมีความรู้อย่างมหาสาลเลยเพราะท่านแปลงสัญชาญาณให้เป็นปัญญายานได้หมดถ้าหากว่าชั้นพระโสดาบันแปลงสัญชตาตญาณให้เป็นปัญญายาณได้ถึง2 5่เซน์พระเสกทิทาคามีแปลงสัญชตาตญาณให้เป็นปัญญายานได้50เอร์เซ พระอนาคามีแปลงสัญชาติญาณให้เป็นปัญญาญาณที่80เปอร์เซ็นต์พระรหันต์แปลงสัญชาตญาณให้เป็นปัญญาญาณได้หมดทุกไม่เหลืออยู่เลยทุกที่เกิดขึ้นก็เพราะมันเกิดจากสัญชาติญาณนั่นเองเมื่อเราแปลงสัญชาตญาณให้เป็นปัญญาญาณได้หมดเชื้อของทุกมันไม่มีอ่ะมันจะเกิดจากอะไรถ้ามันเหลืออยู่เล็กๆน้อยๆเขาเรียกว่าอาสวะอย่างสมมติว่าโสดาบันเป็นผู้ที่มีปัญญาสามารถ เกี่ยวข้องผู้เสียหายได้ยี่ห้าเปอร์เซ็นตอีกเจ็ดสิห้าปอร์เซ็นยังเป็นสัญญาตยานอยู่เพราะนักโสวดดับบันก็ยังโรคยังป่ดยังหลงอยู่แต่เขาไม่มีตัวสกิรยัติทิไม่มีความสงสัยเรื่องพระรัตนใจไม่มีตัวยิดติดในทางดีทางดีทางชั่วไม่ยึดติดทําดีก็ก็แล้วไปทําชั่วแล้วก็แล้วไปไม่ยึดติดในเอามาคิดเป็นเรื่องไปราวเป็นนักสดดบันแต่ก็ยังโรคยังโ่ดยังหลงยังมีลูกคน โมีอะไรเหมือนปก uh, ติทั่วไปแต่เขาไม่มีสามอย่างหนึ่งฟังคือเนื้อถือตัวจัดไม่มีสองไม่สงสัยในเรื่องของพระราชณาใจสามไม่ย oui. ึดดีจิดีนานเหมือนคนทั่วไปปวดมากก็เดี๋ยวก็หายชอบมาเดี๋ยวก็หายไม่ได้โตทั้งวันทั้งคืนเหมือนคนทั่วไปนี่ไปโสดาบันรักก็ไม่จะรักจนรูปหลงมัวเมาจนปหัวไม่ขึ้นก็ไม่รักนานั้นรักเหมือนกันแต่ว่า เมื sí <ide> ่อ <dans> ม <leur destination> <ET> ีของรักพาไปก็ไ <awkward> ม <osas arks> ่ได้เสียใจอะไรมากมายทําใจได้พวกเราแล้วทําใจได้เนี่ยก็มีอยู่สามอย่างแต่ยังมีโรคกลหลงเหมือนเดิมนะแต่พระสกิธัคามีโรคกลหลงนี่ลดลงทำสามทําคุณภาพสามอย่างได้โรคกลหลงลดลงนะแต่ว่ากามรักกามราคฆาปฏิฆาไม่ลดลงพระสกิธัคามีแต่ว่าทางพระสวดบัลกามราคฆาตปฏิฆาย่งลดไม่ได้ แต่ลดสามอย่างนั้นได้แต่พระศิกรทาคำมีเนี่ยลดโลภโกโลงได้ด้วยแล้วก็ทำสามอย่างให้ได้ด้วยได้ห้าตัวนี่ดังนั้นเองในเรื่องเหล่านี้มันน่าศึกษาน่าน่าศึกษาว่าตัวสัญชตาตญาณทําให้เราได้ตอบสนองต่อการป้องกันตัวเองได้อย่างรวดเร็วแล้วนั่งอยู่ตรงนี้ปั๊เกืดอะไรเป็นปับ๊บนี่เต้นผุ่งหนีเลย นั่งอยู่ดีๆงูตัวใหญ่คขึ้นมานีปุ๊บเนี่ยต่างวงแตกเลยว่าต่งคนต่างเอาตัวรอดนั่นคือความรู้ที่เป็นสัญชตาตญาณแต่ถ้าคนใดคนหนึ่งมีสติปุ๊บนั่นดูก่อนมันจะมาลายไหนเนี่ยนั่งดูมันจะเข้ามาหาเราข้างเราก็ขยับยังมีสติมันมาก็ดูไม่เฉยๆจาเป็นต้องกลัวมันไหมจําเป็นแต่ด้วยสัญชตาตญาณมันได้บอกเราอย่างนั้นมันบอกเราว่าอย่างเงี้ห น, นีไม่เร็วที่สุดใช่ไหม ซึ่งซึ่งมันให้ศึกษามากนะเมื่อก่อนเนี่ยมาเป็นคนกลัว ง, งูมากมันร่วมอยู่ดังนั้นเอามาไปทางนู้นเลยนะวันหนึ่งพอไม่เจริญเศรษฐีแบบนี้บ่อยเขาแบบเขามันเกิดสํานึกขึ้นมาเอ้มันปลวทําไมงูมันตัวเล็กกว่าเราเรืงเยอะนะกลวกทาไมก็เริ่มขยับเข้าไปขยับเข้าไปตอนนั้นปีสองสองสองสองสามตอนนั้นจบมหาจุฬาแล้วเขาตามเงื่อนไขของมหาจุฬาก็คือต้องไปปฏิบัติงานที่สอนอยู่ที่ โรงเรียนมัธยมวัดสามปออำเภอละโนดจังหวัดสงขลาเขาไปอยู่ที่ก็อยู่ในวัดไม่สงบเลยเขอไปอยู่ชายทะเลเพราะประชางอยู่ติดชายทะเลนะ่ไหมที่ช่องคุณก็ไปทําสําน้กงูเยอะแยะเลยนะฮะใกล้ทะเลพวกงูมันงูทะเลเอ๊จะทำไงดีก็วันหนึ่งเือเะี่องูก็เริ่มก้านพลาวนะกูยาวๆนะหลายข้านพลาเอาละ อัะไร ไ, ได้ปฏิบัติธรรมแล้วทีนี้ปดีมีผ้าจีบอนกีเกลอไปแล้วก็โยนผ้าจีบอนพักมันก็รัดผ้าจีบอนมีไม้มาเอาไม้มากดกดกดไปตามข้าวตั้งใจแข็งเงี้ยนะตอนนั้นกลัวกลัวกล้ากล้าก็กลัวเงี้ยหมุนหมุนไม้ไปเลื่อนไม้ไปจะเป็นคอมันกดคอมันไว้เอามือรูปไปตามไม้จับหันใจอ่ะดับที่ คอไม่ให้มันไม่ให้มันหมุนได้จับที่คอใกล้ๆหัวมันแล้วพอจับคือพระ ม, มันก็มันตัวยาวเอาหางสวัดตัวเลยแล้วสะดุ้งหยงแต่แข็งใจอันนี้คือคือมันไม่มีอะไรอื่นแล้วเราก็ใช้วิธีเนี้ยตั้งสตินั่งนั่งจะแข็งใจอ่าสาเร็จแ ล, จจแล้วทีนเนี้ยแข็งใจใจเราก็เต้นเราก็ดูไปเรื่อยใจไปเรื่อยนท้านจิตใจเริ่มเริ่มปับเริ่มคุ้นแล้ดึงอ อ, อ, ออกอย่าง้วก็โย น, นทิ้งไป ได้ครั้งที่หมันจะต้องมีครั้งที่สองที่สามที่สี่สตามมาใช่ไหมทำนี้บ่อยเข้าบ่เข้าเห็นงูที่ไหนตามตามไล้จับไลยทีเนี้ยอันนี้คือเราต้องฝึกอ่ะบางสิ่งบางอย่างสยายชัดกยานบางอย่างมันลึกมากถ้าเราไม่ฝึกมันออกไม่ได้แต่ยิ่งไปทาอย่างอาจจะมาทําก็แลนะ้วกันเอามาว่ายมผู้หญิงเชือ่อว่าทําไม่ได้ก็แล้วกันนะแต่ว่ามันต้องฝึกอเราเป็นกรรม า, าัฒนกรรมฐ า, า, า, านใหม่ๆฟัวขี่ใช่ไหม อารมณ์ฝสติแล้วนั่นเอ๊ะโก้ผีทำไงอามันผีไม่ได้ทาให้เราตายเนี่ยมันก็ลมจิตมันก็มีกําลังขึ้นเพราะมันฝึกไอยใช่ไหมบ้านที่ป่าช้ามันมีต้นขอใหญ่ตัวนึ่งเอาละเขาบอกผีมันดูป่าช้านี่กินชายเขาหนึ่งมีคนตกแขนพอตายบางเอาศพตัวสุดไปฝังหมัอะไรต่างๆอ่ะลองไปก็แบกปดไปมันมี้ซาลาป่าช้าอยู่เนะอันนี้นอกเรื่องเลยนะ คือจะมองให้เห็นว่าระหว่างสัญชาติยานกับปัญญาญาณมันสัมพันธ์กันอย่งไรนะไม่ได้นอนกประเด็นนะแต่ยกตัวอย่างให้เห็นว่ามันมันจะต้องพัฒนามันอย่างงี้แหละคือย้อนสอนมัน อ, ะอ่ะเราแบบกดไปสลากเราก็เอากดไว้แขวนนะที่มันมีลวดอยู่ห้อยไปจากขัเราเอารวดมากดกดเส้นเล็กๆเนะนี่ยเอากดขแขวนเสจแล้วก็นอนไป ปรมาณสักตีห้าทุ่หรือกีหนึ่งเนยลงมันก็พัดเนะพราะช่วงนั้นคืนมีนามาีสากพัดไปพันมาฝนมันกกตกแป้งแป้งไปเพรานมันหลุดเ <c oughs> พราะเสน้นเลือที่มันต่อนะไม่เข้มแข็งเท่าไหร่หลุดลงมาพุมเราก็ตัวแข็งเลยที่เราก็โดนทีหอกเข้าแล้วนะตัวแข็งเลยนี่กนกระทั่งไปสักพักนมันเริ่มมีสติขึ้นมาติดตัวได้ลุกขึ้นมาอื ผ่านไปได้ไม่เป็นไรวันต่อมาคนในบ้านตายคนในบ้านตายเขาจะเออศุกมาเผาเนี่ยเราก็เอถ้าจะหนีไปมันก็เสียเหลี่ยมพระธุ้ดงมาใช่ไหมจะเอาคนหนีไปกลัวผีเนี่ยเอาอยู่ต่อก็แล้วกัวนคือในท่านเขาเก็บศพไว้สามวันาาวแล้วเขาจะอยู่เจ็ดวันเขาสามวันเขาสุกมะเผาเขาเสร็จแล้วสาวบ้านก็กลับบ้านกหมดเราอยู่ไฟเช้าคนเดียวใช่ไหมเห็นไฟที่กอง เชิงแต่ก่อนแดงีมันก็นอนไม่หลับพีพอไปนอนไม่หลับเอาละแข็งใจลุกขึ้นมากาดน้ําพี่เราไปด้วยไปตั้งไฟปุ่นกองเอาเครื่อหมายความว่ามันตัวอย่างได้ยอนสอนมนะันอันนี้คือสัจจะทยานที่สู้นะย้อนสอนมันเอาไปตั้งน้ําทําใจไว้ไม่กลัวผ่านไปคือนะเมื่อมันได้ที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่แล้วมันก็มีครั้งต่อไปเรื่อย ที่สุดคำว่า ก, กลัวผีไม่มีเลยอันนี้คือวิธีฝึกของอัตมานะถ้าไม่ทำอย่างนี้ไอ้สันชัดยานที่มาอยู่ลื้อมากมันจะออกไม่ได้เลยนะออกไม่ได้แต่ว่าไม่ต้องทำอย่างอัตมาทำหรอกอันนี้มาเป็นค น, ม, นมันชอบลอง น, นะแต่ว่าเรามีวิธีทดลองอย่างอื่นเยอะแยะสมมว่าเราไปไ ร, ร้านอาหารเนี่ยอาหารอร่อยมากแต่ที่ที่ไดยกินเต็มที่เลยนะก็หยุดมันกงังขเฉยๆเงี้ย มีวิธีเย้ยของอะไรที่เราไปเห็นในร้านชอบเนี่ยบางวี่เราต้องซื้อใช่ไหมเราก็ไม่ซื้อมันเฉยอเนี่ยคือบางครั้งกินอะไรต้องหักดิบมันเนี่ยจะไปปล่อยไปรูปไปทามันนะหักดิบมันอะไรที่เราชอบมากๆเราไม่ทํามันเสียหรือบางทีสิ่งไหนที่ไม่ชอบมากๆเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปชอบมันบางด้วยการฝึกวิธีกลับไปกลับอันนี้คือวิธีการแก้ไขเรื่องสัญชาตยาถ้าหากว่าเราจะทํามันชอบ ตามความชอบทุกครั้งความรู้สึกชอบก็จะมีกําลังมันโดนเสือมันอยากกินอาหารเราให้อาหารมันทุกครั้งใช่ไหมเสือก็มีกําลังนะสัญชาตญามันเหมือนเสือตัวหนึ่งเนี่ยถ้าทุกครั้งที่เราทําตามที่มันต้องการปั๊บมันก็จะมีกําลังขึ้นเรื่อยๆถ้าเราไม่ปลอยใจเราก็จะไม่ปลอยใจไปเรื่อยๆมีกําลังเรื่อยๆความไม่ปลอยใจเราแรกไม่ปลอยใจน้อยๆต่อไปความไม่ปลอยใจมันสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะไม่ได้อาหารเพราะเราตอบสนองมัน เชือเราขังมันให้กินทุกวันก็มีกําลังแต่ถ้าเราจะข่ามันทาไงก็ไม่ให้อาหารท่านเอ ง, เองหมายความว่าเมื่อไม่ความไ ม, ไม่พอใจขึ้นมาปับ๊บก็อย่าไปทําทําความพอใจดูความพอใจดูความไม่พอใจอเป็นไงนี่เราไม่ให้อาหารละดงความพอใจของเราปั๊บทําไงเราก็ไม่ไปตอบสนองความพอใจท่านเองให้กดอาหารมาละงดอาหารมาันเพราะฉะนั้นด้วยการแก้ไขเรื่องสัญชาตญาณ คืออย่าทําตามความรู้สึกที่มันเป็นเลยนี่ความรู้สึกนั้นแรงเท่าไหร่เนี่ยอย่าทํำตามจนกว่ามันจะผ่อน ล, ลงเหมือนเราอยากอาหารอยากมากๆอย่าเพิ่งทําตามจนกระทั่งมันหิวไห้ทำหิวได้เล็กน้อยก็อย่าเพิ่ตอบสนองทันทีรู้หิวมากๆหน่อยอ น, นี่คือวิธีแก้ไขสย่อยสอนสัญยาณมีวิธีเยอะแยะเลยแต่เราจะทําหรือไม่ทําอยู่ที่เราแต่ถ้าเราเป็นคนที่ต้องการฝึกฝน ตัวเองก็ทําได้แต่บางคนก็ทําแรงเกินไปอย่างพระพุดมบางคนใชยไือมันกินข้าวโดยข้าวไปอย่ากินมันเลยอดมันสามวันห้าวันเจ็บวันมีใช่ไหมบางคนอดข้าวปเป็นเดือกินแต่น้ําอย่างเดียวอย่างนี้บางคนย้อนสอนอย่างรุนแรงก็ได้ผลถ้าหากว่าจิตไม่วิปริตวีสุทธิ์วิปลาสไปกจนร่รากงกายไม่เป็นไปเพราะฉะนั้นพระพุดรงพระปฏิบัติส่วนใหญ่สุขภาพไม่ดีเพราะบางทีท่านก็ย้อนสอนกิเลสของท่านอย่างรุนแรง การย้อนสอนเกินพอดีเนี่ยมันมีผลกระทบต่อร่างกายอย่างนี้ก็เรียกว่าใช้สมถะนะใช่ไหมบางคนก็ไม่นอนทั้งคืนงนีไปจนนั่งภางวนาทั้งคืนแหละ อ, อย่างนี้ก็มีเมื่อตอนตอนที่มาปฏิบัติได้อารมณ์ใหม่ๆอตอนกลางวันนี่ปฏิบัติไม่สะบเลยเดี๋ยวอย่างโน้น เ, นเดี๋ยวที่คนเยอะแยะที่ไว้สนามนั่นทีนี้เอาใหม่ หลังจากทำไว้สดมนตรเย็นแล้วฝนเข้าทีแล้วเราไม่นะนแล้วก็ลุกขึ้นมาเด็นจัผมตั้งแต่ตีตั้งแต่สองทุ่มเป็นไปยันสว่างทำได้สองสามวันวันที่สามไม่เกิดเรื่องเลยเห็นไอ้ต้นไม้วัฒนามในเช้าตู่ใช่ไหมมันพลิกเอาลากขึ้นเ อ, เอาย้อนลงนะประสาทกลับประาณนั้นนะ <c oughs> อันนี้แรงเกินไปทีนี้อพอเขาไปบอกเพื่นอนดูไม้นี่นะ ช oh, ี้โน er ้ตชี้นี่พอเพื่อเราอันนี้ไปแล้วงั้นนต้นไม้มันเอาลากขึ้นเอาฝ่ายดงเขาก็ไปตามอาจารย์ตอนนั้นอาจารย์ทงรวนบอเจ้าว่าอาจารย์ทงรุนจะมาแก้อารมไม่รู้ว่าเราเดินทั้งคืนจะสองสามคืนมันไม่ได้นอนใช่ไหมมันนอนไปสากเท่ากับแต่ในช่วงที่เราศึกษานี่มีอะไรศึกษาหน้าน่าศึกษามากในช่วงช่วงห้าทุ่มตีหนึ่งตีสองความความม่วงมันเกินมันแดงมากพอหลุดจากตีสองมาแล้วความม่วงมันจะเบาและสบายเลยนี่โล่มเลยเดินเท่าไหร่ก็ได้ อ๋อสัญชาตญาที่เราต้องการต้องการนอนหลับตั้งแต่ห้าทุ่มที่สอศึกษาดูดังนั้นสิ่งเหล่านี้เล็กๆน้อยๆถ้าเราได้ฝึกย้อนสอนฝึกทวนกระแสท่านเชื่อเพระทวนกระแสคําว่าโสตาปันนาเนี่ยแปลว่าอะไรรู้ไหมโศตแปลว่ากระแสปันนาแปลว่าเข้าถึงทวนกระแสคือหมายความว่าคนที่ ที่จะเข้าสู่โสดาปฏิมาต้องฝึกฝนกระแสจิตได้นล้วย้อนสอนตัวเองได้แล้วคือหมายว่าคนที่ฝึกในด้านนี้ถ้าย้อนสอนตัวเองได้บ่อยๆก็เลือกใช้ความอดทนสูงความกล้ า, าสูงใช้วิทยาใช้ขันติใช้วิยทยาวิทยานี่ข้าที่จะทําทอะไรบางอย่างที่เรากลัวนะแต่ขันติที่ทนก่อสิ่งนั้นได้ขันติกับวิทยาที่ต่างกันสมม่าเราทํางานสักอย่างเราทนได้ หรือบางทเขาพูดมาเราทนได้ผมใจไม่ไม่โกรธไม่อะไรก็แต่มันทนได้เป็นบางครั้งบางคราวแต่วิทยานี่กล้าในการแก้ไขในทางที่ถุกและข่มใจได้แล้วก็กล้าในการบางครั้งเราไม่พอใจด้วยแต่เราก็มีปัญญายในการชี้แจงเหตุผลด้วยใช่ไหมใจลึกๆึกเราก็ไม่พอใจแต่บางคนมันไม่พอใจว่าไม่ยามชี้แจงเลยมันเกิดอาการตาแดงมือสั่นใจสั่นเลยใช่ไหม ไม่คือสติกกมันขาดอย่างไรแต่บังคนมีวิทยะในการที่จะข่มแล้วก็สามารถชี้แจงแสดงเหตุผลได้ชัดเจนวันวนี้ก็เกิดจากการฝึกแค่นั้นเองนะนนนอยากจะให้เราได้ศึกษาได้ลองดูมาฝึกบทดสามวันห้าวันเกิดเบื่อเกิดนายเกิดอยากกล่บ้าอันนี้เราทิ้งฐานที่จะสร้างบารมีที่จะมีโอกาสได้สร้างบารมีมันไม่ได้สร้าง ยิ่งม่ได้สร้างมาอดีษฐ์ก็มาปิจบัะยิ่ไม่สร้างอีกเราก็จะอ่อนแอไปเรื่อยๆแล้วชีวิตของเรามันจะมีความสุขได้อย่างไรถ้าจิตเราอ่อนแอไปเรื่อยๆเราเปีนโอกาสได้สร้างฐานขันติสร้างฐานปัญญาสร้างฐานวิญญาณแล้วต้องทําให้ดีอ่าที่นั่สร้างจังหวะโดยจุกมงทั้งวันนี่นี่คือการสร้างฐานขันติบารมีสร้างฐานปัญญาบารมีสร้างฐานวิญญาณบารมีแต่บางครั้งจิตของเรา หรือไม่ได้คิดอะไรมันก็สักขารของอุปาปิฎฐ์เสด็จมาหมดเวลาหมดหมดารฉะนั้นก็อยากจะให้เราอ่านึงถาเราไป็นอภิธรรมก็ในสิ่งที่ประรบมาทั้งหมดนั้นให้เห็นความสำคัญระหว่าง สัญชัตญาณกับปัญญาญาณการเห็นสองตัวนี้ชัดเจนก็คือการสัมพันธ์ระหว่างเวทนาไปสู่จิตเพราะเวทนานั้นตอบสนองต่อสัญชตาตญาณพอมาถึงจิตแล้วแบ่งเป็นสองเราจะตอบสนองหรือไม่ตอบสนองก็คือตัวรู้สึกตัวหรือไม่รู้สึกตัวถ้าไม่รู้สึกตัวตอบสนองต่อเวทนาน <c oughs> โดยสัญชัตญาณถ้ารู้สึกตัวเราสามารถย้อนสอดสัญชตาตญาณได้โดยที่ เวทนาตรงนั้นก็จะไม่เปลี่ยนเป็นปัญหาและอุปทานเวทนาตรงนั้นก็จะเป็นเป็นปัญญา ท, าทันทีโดยมีตัวรู้เนื้อรู้ตัวนี้ขึ้นมานะ <c oughs> ทีนี้ไอ้ตัวรู้เนื้อรู้ตัวนี่จะอยู่ในระดับไหนถ้าได้ระดับที่เข้มแข็งมีสมาธิมีสัมปชัญญะมีปัญญาบวกไปด้วยตัวสัญชัตญาก็เปลี่ยนเป็นปัญญาอย่างได้ไวและตัวสติก็ดีสัมปชัญญะก็ดีเกิดขึ้นได้อย่างไรก็คืออย่างที่เรายกมือ ขณะที่ยกมือ ก, MM ก็ดีเดินจุกรมก็ดีเนี่ยเราสามารถระลึกได้ทั่วตัวไหมถ้าสามารถระลึกได้ทั่วตัวนั้นกําลังของสัมผัญญะก็ดีกําลังของสมาธิก็ดีเข้มแข็งโอกาสที่จะเปลี่ยนสัจจะยานให้เป็นปัญญายานเปลี่ยนได้มากเปลี่ยนได้ทีดีเยอะๆเลยแต่ถ้ามีสติอย่างเดียวเปลี่ยนได้เพล่นิดเปลี่ยนได้บางเรื่องบางเรื่องเปลี่ยนไม่ได้แต่ถ้ามีสัมผัสญยะสติกับยยะต่างกันยไงสติคือรู้เฉพาะที่เราจะ ทำอะไรเป็นจุดๆแต่สัมผัยยะรู้เป็นจุดแต่ความรู้สึกส่วนหนึ่งเหลืออยู่ในเนื้อในตัวที่ชัดเจนด้วยเรียกว่าสติและสัมผัสัญญาสติเหมือนกับหัวไม่ขีดพอไปติดใส่ตะเกียงด้วยเพียนเหมือนกับเป็นสัมผัสัญญาเพราะจะมีรังของเชื้อเพิงมากกว่าแต่สติมันก็มีเชื้อเพิงอยู่แค่หัวไม่ขีดหรือไฟแช็กที่ระบด พอเราหยุดกดปั๊บก็ดับแต่พอไปติดใส่เทียนได้ใส่ตะเกียงน้ำมันเพรก็ต่อเนื่องเป็นยาวลักษณะ ส, สว่างต่อเนื่องยางเรียกว่าสัมปชัญญะและสมาธิและเมื่อมีแสงสว่างแล้วทําให้ดวงตาเรามองเห็นนั้นคือเกิดปัญญาความสัมพันธ์ระหว่างแสงสว่างดวงตาฉันใดความสัมพันธ์ของสติสัม ย, ยปัญญาคือสัมพันธ์เป็นฉันนั้นเพราะสติสัมยานั้นคือแสงสว่างตัว สมาธินี่คือตัวสภาพแวดลรอมที่ทําให้แสงสว่างนั้นอยู่ได้แต่ถ้าสมมุติว่าแสงสว่างนั้นอยู่ไมได้เพราะมีดมแรงดมพัดนั่นหมายความว่าสมาธิไม่เกิดถ้าสมาธิเกิดคุณจุ่มไปปับ๊บแสงสว่างก็สมทัวร์ได้แล้วเราจะมองหาอะไรก็ง่ายนั้นคือปัญญา น, นั้นหมายความว่าถ้าเราได้ฝึกฝนตัวรู้ตัวนี้ทุกครั้งเมื่อมีการกระทบทตา่างๆาหูจมูกลิ้นกายใจ เกิดเวทนาอยู่สามตัวคือชอบและไม่ชอบเลยเฉยและตัวสติที่เราฝึกนี้ไปตามรู้เวทนาตัวนั้นเปลี่ยนเป็นตัวสติและเป็นปัญญาเรียกว่าเปลี่ยนเป็นวิชาแต่ถ้าเราได้รับการกระทบตาหูจมูกนิ้วกายใจแล้วเกิดความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบเฉยเราไม่มีวิชามีอวิชาเข้าไปความรู้สึกชอบและไม่ชอบก็จะดําเนินการต่อนั่นเป็นสันทะยาน และสัญชยายญาณตรงนี้ก็กอให้เกิดเหตุแต่หาวประธานตามลำดับคือเวทนาก็จะเป็นแต่หาวประธานนี่คือลักษณะความเชื่อมต่อระหว่างเวทนากับจิตนะนั้นเองก็ในวันนี้ลองไปดูว่าเมื่อมีการกระทบทุกครั้งเนี่ยตามหูจมูกลิ่กายใจมือมีอะไรมาสัมผัสทุกครั้งเนี่ยเรารู้สึกพอใจไม่พอใจในสิ่งนั้นไหมหรือรู้สึกไม่สนใจ ถ้ารู้สึกพอใจไม่พอยใจเป็นตัวปอเป็นตัวตาค่าโทสะแล้วรู้สึกไม่สนใจในสิ่งนั้นก็เป็นตัวโมหะเรียกว่าอทุกข์มาสุกเวทนานัวเองซึ่งเมื่อวานเราได้ลําดับเรื่องนี้ไปแล้วนะแต่ถ้าเรารู้สึกพอใจก็รู้ฉันรู้สึกพอใจนะแล้วก็ตามดูความรู้สึกพอใจไปดูความรู้สึกพอใจพัฒนาไปอย่างนี้แล้วก็ฉันรู้สึกไม่พอใจนะก็ดูความรู้สึกไม่พอยใจ แต่สมมตว่าเราไปเห็นอาหารไม่อร่อยเนี่ยเราก็จะถ้าเราสันชัดจายาเราก็นึกถึงอาหารที่บ้านนึกถึงหน้าแม่ครัวนึกถึงร้านอาหารนึกถึงอาหารอะไรที่จะปรุงให้เราอาาร่อยจิต้องเราจะไปไปสร้างมนโนภาพถึงเรื่องแบบนะั้นไอความอ ร, อร่อยๆตัวนี้ก็หายไปเพราะจิตมันไม่ได้อยู่ที่อาหารหละแต่พอมันได้สติปักเพออาหารไม่อร่อยปักโออาหาร ไม่อร่อยไม่เป็นปัญหาเพราะว่ามันคือคุณภาพอาหารอร่อยไม่ใช่เป็นอาหารมีคุณภาพประกอบด้วยสิ่งฟงแกงสีสันทั้งหลายเป็นสารเคมีเป็นสารพิษการที่อร่อยนันเป็นดหรอกให้เราทำตามอยากกิ้เชิยแต่อาหารที่อร่อยก็เป็นอาหารอาหารที่ไม่อร่อยเป็นอาหารที่มีคุณภาพสามารถเคียวได้นานสร้างสารอาหารได้ดีแล้วก็ไม่มีพิษไม่มีสารเกลือผล พอได้สติมันก็จะคิดในในฝ่ายบวกพรอขาดสติปั๊กมันก็จะคิดในฝ่ายสายชี้เดียคิดในฝ่ายลบอย่างนี้เรื่อยไปในชีวิตประจำวันของเรานะในสมัยก่อนคนที่ทำไมดึงแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเยอะเพราะเขากินอาหารที่สดแล้วกินอาหารที่ไม่ต้องอร่อยไม่มีสารปรุงแต่งแต่กินให้อิม่มนทะานไปทานมาอาหารที่ไม่อร่อยมันก็อร่อยของมันโดยธรรมชาติเช่นเดียวกันอันนี้คือชีวิตประจำวันของเราเพราเราจะมีสติ ตามสัญชาติยาตัวนี้ไหมเพราะสัญชญตานสี่ตัตวเนี่ยรุนแรงท่านแยกในการ <c oughs> าหาอาหารเสร็จปา่าเสร็จองสัญชญานในการหาที่อยู่อาศัยสัญชาติยานในการหนีภยัยสัญชาานในการเสกสืบพันธนะ์ก็จะรุนแรงทั้งสี่ตัวเนี่ยเพราะมันเป็นสัญชญติยานดั้งเดิมของเราแต่ส่วนเราจะเปลี่ยนให้สี่ตัวเนี้ยให้เป็นปัญญายาเราก็ต้องมีสติปัญญาที่รุนแรงเช่นเดียวกัน สติสมริปรัญาไม่รุนไงเพราะก็เปลี่ยนมันไม่ได้นั่นนั่นเองตัวเวทนาที่ตอบสนองต่อสัจจะยามก็ดีเวทนาที่ตอบสนองต่อปัญญายามก็ดีจึงมีส่วนสร้างวิปสัาญาเราคื่นมาพยายามนจุนอนี้แต่ถ้าความเทียนของเราคือการ การลบความเปรี่ยนการตามดูตามรู้ตามเหม็นความรู้สึกต่างๆไม่เข้มชัดพอตัวสติสติปัญญาก็ไม่เข้มเมื่อตัวสติสติปัญญาไม่เข้มก็จะเปลี่ยนสันแคตยานให้เป็นปัญญาอย่างได้ไม่หมดได้เป็นบางส่วนได้เล็กๆน้อยๆก็พยายามไปเรื่อยๆนะนนในช่วงเช้านี้ปิ่าสมควรแกเวลาที่ชีช้แจงมาเขาคนมุนุทนาส <c oughs> าทุกในความตั้งใจ ของพวกเราทั้งหลายให้มีศรัทธามีความเพียรที่เข้มแข็งสามารถต่อค้บประคองการปฏิบัติการเจริญส ต, ติตรงนี้ให้ต่อเนื่องและถูกต้องด้วยการทุกคนทุกท่านคือ